ดังเช่นที่ตรัสสอนว่ารูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่าขันธ์้าเป็นอนัตตามีใช่อัตตาตัวตน หรือได้ตัดสอนยกเอาอาญตะภายในภายนอกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพทธพัสิ่งที่กายถูกสร้งและธรรมะคือเรื่องราว เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนและได้ตรัสสอนไว้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขคือเป็นทุก คนอยู่ไม่ได้ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปทาทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาโสดตนและในข้อว่ธธรรมทั้งปวงนี้นแสดงอธิบายว่าทั้ง สังคตธรรมธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารทั้งอสังคตธรรมธรรมะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งอันเรียกว่าวิสังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโตัวตน สำหรับระดับที่ตัสสอนให้ฝึกตนคุ้มครองตนให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนเรียกว่าตัดสอนโดยสมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติคือโดยที่มีมติร่วมกันเรียกขึ้นบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นแล้วก็รับรอง เรียกกันสำหรับการบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นก็เรียกว่าบัญญตัติและข้อที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันเรียกว่าสมมติ บางทีก็เรียกควบคู่กันว่าสมมติบัญญัติสมมติก็คือมีมติรับรู้ร่วมกันบัญญัติก็คือแต่งตั้งขึ้นเหมือนดังเช่น สิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเจริญเติบโตขึ้นมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลคนก็บัญญัติคือแต่งตั้งเรียกกันว่าต้นไม้ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาและคำว่าต้นไม้นี่เองก็เป็นสมมติก็คือมีมติ รับรู้ร่วมกันเรียกร่วมกันว่าต้นไม้เพราะฉะนั้นคำว่าต้นไม้นั้นจึงเป็นสมมติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นว่าให้สิ่งนี้เป็นต้นไม้และสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมารับรองร่วมกันเรียกร่วมกัน สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่บังเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาสิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นธรรมชาติธรรมดาดังต้นไม้ที่บังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมดาและบุคคลนี้เอง มาแต่งสร้างขึ้นให้สิ่งนั้นเป็นนั่นให้สิ่งนี้เป็นนี่และก็รับรองร่วมกันเรียกร่วมกันและแม่มนุษย์และนิรชาตทั้งหลายที่เรียกกันว่ามนุษย์คน หรือดิรชานและแม่มนุษย์เองก็เรียกแยกออกไปเป็นหญิงเป็นชายในแต่ละแต่ละคนก็มีชื่อนั้นมีชื่อนี้จัดดิรชานต่างๆก็เป็นช้างเป็นมา่าเป็นต้นก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเรียกกันแล้วก็รับรองเรียกร่วมกันเหมือนกัน จึงเป็นสมมติบัญญัติก็ต้องมีสมมติบัญญัติดังนี้จึงจะเรียกพูดกันได้เข้าใจกันได้และก็เรียกรวมกันเหมือนกันด้วยถ้อยคำ ที่เป็นภาษาเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ภูเขาเมื่อพูดว่าต้นไม้ภูเขาก็อดใจกันเราก็รับรองกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นไม้เป็นภูเขาถ้าใครจะไปเรียกให้ผิดแผกออกไปเป็นอย่างอื่น เรียกภูเขาว่าต้นไม้เรียกต้นไม้ว่าภูเขาดังนี้แล้วก็เรียกว่าผิดสมมติบัญญัติแล้วก็ฟังไม่เข้าใจกันควยคุยกันแล้วก็ทําให้คนที่เรียกควยคุยไปนั้นเป็นที่เข้าใจว่าเป็นคนที่จะต้องมีสติมีปัญญาเป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้องใช้ภาษาที่พูดเรียกสิ่งนั้นเรียกสิ่งนี้ก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติโลกและเมื่อโลกมีสมมติบัญญตัติว่าอย่างนี้เรียกอย่างนี้ทรงแสดงธรรมะก็เรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้ และก็นับว่าเป็นสัจจะคือความจริงอย่างหนึ่งอันเรียกว่าสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติหรือจะเรียกว่าบัญญัติสัจจะความจริงโดยบัญญัติก็ได้และก็ตรัสสั่งสอน ให้ทุกๆคนปฏิบัติชอบตามควรแก่สมบัติบัญญัติโลกทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนข้อที่พึงปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแกิบสม ญ, ญัติ ที่เป็นสมุติศักดิ์สิทต่างๆนี้วินัยที่ทรงบัญญัติไว้และธรรมะในขั้นศีลต่างๆก็เป็นไปตามควรกับสมุิบัญญัติแต่แม้เช่นนั้นก็ตัดสอนให้รู้จัก สัจจะอีกระดับหนึ่งคือปรมตทสัจจะอันได้แก่ความจริงที่มีเนื้อความอันสุขมุมละเอียดเป็นอย่างยิ่งคือเป็นสัจจะคือความจริงที่ เป็นอย่างยิ่งคือจริงแท้ไม่ใช่เป็นไปตามสมมติบัญญัติก็ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจะไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปและทั้งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอันแรกกืนิพพาน และแม่ธรรมะอันเป็นส่วนที่ไม่ผสมปรุงแต่งอื่นๆคือทั้งสังขารทั้งวิสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตดวตนให้ กำหนดรู้ดังนี้เพราะฉะนั้นวาระคือถ้อยคำที่พูดกันเป็นภาษาดังที่กล่าวมาข้างต้นก็นกนล้วนเป็นสมมติเป็นบัญญัติสำหรับที่จะเรียกกัน ก็หากว่าไปยึดมัน่นโดยส่วนเดียวโดยที่ไม่ทําความรู้จักว่านั่นเป็นสมมติเป็นบัญญัติก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นหรือความยึดถือ และบรรดาสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติเป็นวาทะที่เรียกร้องกันที่เป็นข้อสำคัญในที่เป็นธรรมปฏิบัติที่จะยกขึ้นมาแสดงก็คืออัตตา ก็คือตัวเราของเราซึ่งไม่มีตัวเราของเราก็มีตัวเขาของเขาแม้คําว่าอัตตาตนหรือตัวเราของเราตัวเขาของเขาเป็นต้นเหล่านี้ เรียกกันกล่าวกันนี่แหละคืออัตวท ะ, ะว่าทวัดตนอันหมายรวมถึงว่าว่าทวัตัวเราของเราและเมื่อตัวเราของเรามีก็ต้องมีตัวเขาของเขา เพราะฉะนั้นคำว่าอัตวาทะวาทะว่าตนอัตตาจึงหมายถึงสมมติบัญญัติดังที่กล่าวมานั้นเป็นถ้อยคำที่เรียกกันและเมื่อเรียกกันก็เข้าใจกันรู้จักกัน และเมื่อเรียกกันรู้จักกันเข้าใจกันเมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้จักก็ยอมจะมีความถือมั่นหรือความยึดถือความถือมั่นหรือความยึดถือนี่ ึงเรียกว่าอัตวาทุปาทานความถือมั่นหรือความยึดถือวัะวัฏนณนก็คือยึดถือหรือถือมั่นสมมติบัญญัติวันตนเป็นเหตุให ถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องเป็นต้นสืบต่อไปและความยึดถือวาทะวดัดตนตัวเราของเราดังกล่าวมันนี่ ซึ่งสืบมาจากสมติบัญญัติดังกล่าวเมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาก็ทำให้มีความถือมั่นหรือยึดถือ ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญตัตินั้นๆว่าเป็นจริงมีจริงดังเช่นเมื่อมีความยึดถือหรือถือมั่นในวทาาะวัตนในสมมติบัญญัติวัตนก็ทำให้หลงยึดถือ ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งสมบติบัญญัตินั้นว่าเป็นตนจริงๆก็เช่นเดียวกับสมมติบัญญัติวัดต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นลุกขว า, วาทะวัฒะวัดต้นไม้ ซึ่งเป็นสมมติบัญญัติเมื่อไม่พิจารณาก็ทำให้ถือมั่นหรือยึดถือในที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้ขึ้นจริงๆอันที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นก็ได้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากแผ่นดิน เป็นมีรากมีต้นมีกิง่งมีใบมีดอกมีผลสิ่งที่บังเกิดขึ้นจากแผ่นดินที่มีรูปร่างลักษณะดังนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งสมมติมัญญิวัดต้นไม้แห่งวาทะที่กล่าวกันว่าต้นไม้และเมื่อเรียบเพลิ น, พลนไปก็เป็นหลงยึดถือเอา ที่ตั้งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นโจต้นไม้ขึ้นจริงๆเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมติบัญญัติหรือวาัะว่าบ้านเรือนก็เป็นคารวาทะ คระก็แปลว่าเรือนวาฏทะก็ถ้อยคำถ้อยคำที่เรียกว่าเรือนก็เอาทับประสมภาระต่างๆเห็นไม้เป็นต้นมาประกอบเข้ามีเสามีพื้นมีฟ้ามีหลังคาและมีสิ่งประกอบต่างๆ เป็นเรือนก็สมบบัญญัติขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นเรือนและเมื่อเรียกกันเพลินๆไปก็เป็นหลงยุดคือเอาที่ตั้งของสมบติบัญญัติเมื่อเรือนนั้นก็เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นจริงๆในชั้นใดก็ดีอัตภาพอันนี้ ประกอบด้วยกายและใจซึ่งสมเด็จพระวรมศาสดาได้ตรัสเตียกวานามารูปและเมื่อแยกออกไปอีกก็รั แยกออกไปเป็นขันห้าคือแยกแยกออกไปเป็นห้ากองอันเรียกว่าขันห้าย่อลงมาก็เป็นอามรูปรวมกันเข้าก็เป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติ ว่าอัตตาหรืออัตภาพและก็มีสมมติบัญญัติเรียกกันต่างๆออกไปว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็ยังมีสมมติบัญญัติละเอียดอกไปอีก เป็นชื่อต่างๆสำหรับที่จะได้กาหนดหมายเรียกร้องกันนามารูปหรือขันห้าก็เป็นที่ตั้งของสมมติมัญญิว่าอัตภาพหรืออัตตา และเมื่อเรียกกันเพลินๆไปก็หลงยึดถือว่าเป็นอัตตาคือจริงๆเป็นตัวเราเป็นของเราคือจริงๆก็เป็นตัวเราขึ้นก่อนแล้วเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขา ก็ต้องแยกกัอนออกไปดังนี้พราะฉะนั้นความยึดถืออันเรียกว่าอุปาทานหรือความถือมั่นอันเรียกว่าอุปาทานนี้จึงยึดถือในที่ต่างของสมมติบัญญัตินี่แหละและโดยเฉพาะ กที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาเสื่อมสภพพกายใจนามรูปหรือขันธ์ห้าอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราคนจริงๆอุปาทานข้อนี้สำคัญมากย่อมเป็นมูลของความยึดถืออื่นต่างๆอีกเป็นอันมาก และในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีคําเรียกความยึดถือดังกล่าวนี้ในข้อนี้ไว้หลายชื่อเชนเรียกว่า อัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนความตามเห็นว่าตัวเราของเราเรียกวาสดกกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตน เรียกว่าอัจฉมิมานะทิฏฐิมานะคือความสำคัญหมายทิฏฐิคือความเห็นว่าอัจฉมิเรามีเราเป็นหรือเรียกว่าอัจฉมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็น หรือเรียกว่ามานะเฉยๆซึ่งมานะที่เป็นต้นเดิมก็คืออัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเมื่อมีอัตสมิมานะขึ้นมาเป็นต้นเดิมดังนี้ก็มีมานะอื่นๆตามมาอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้พยายามที่จะได้ทรงชี้แจงให้มากำหนดพิจารณาถึงที่ตั้งของสมติบัญญัติต่างๆหรือว่าของวาทะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสมติบัญญัติให้มาพิจารณาบรรดาที่ตั้งเหล่านั้นว่าเป็นสังขาร คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทางนั้นเมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นแล้วยังมีสมบทบัญญัติขึ้นมาเหมือนดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่า เหมือนอย่างเพราะอังคะสัมภาระคือส่วนประกอบต่างๆที่มาประกอบเขา้าเสียงเรียกกันว่ารถจึงได้มีขึ้น เมื่อขันทั้งหลายมาประกอบกันเข้าสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงได้มีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่จะให้รู้ถึงปรมัตถสัจจะ คือความจริงโดยปรมัติคือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่งจึงต้องมาหัดปฏิบัติพิจารณาดูบรรดาที่ตั้งของสมบทบัญญัติทั้งหลายดังพระพุทธภาสิติตรัสสอนไวน้นี่ที่ทรงยกเอารถขึ้นมา